ขอเจริญพรผ่านผู้เป็นประธานเป็นประมุขเราขอเจริญสุขแก่หมูขะร่วมกิจกรรมด้วยกันวันนี้อาตามา คือว่ามีโศกใ่มีลาบอันประเสริฐจะขอเล่าเรื่องความเป็นไปเป็นมาของพวกเราของประเทศของพวกเราให้ฟังเสียก่อนว่าอาตมาเป็นผู้มีภูมิรำเนา เป็นพวกเป็นมาอย่างไรเป็นเข้าๆให้พวกท่านรุ่นใหม่นมน้อยได้พอรู้เรื่องก่อนจะกล่าวธรรมะแล้วก็จะพาทรรมพิธีการ จะเลินจิตตภาวนาตามความนิยมจากเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องฝากเป็นของตอนกันเอาละอาตมาก็เป็นคนชาวไทยแต่ต้นตุกูล เป็นคนลาวแตกมาจากเวียงจันท์มาจากหมู่บ้านทงเวียงจันทร์ข้างตะวันออกเสียงใต้นะทุกวันในเวียงจันท์เขาสร้างบ้านสร้างประเทศของเขา กำลังจะสีวิไลในยุคโนนหลังหลังเรียกว่าพวอพาตาเสื้อสายาวพวพตาเท่เกิดอุลห้อนพนพิกานทำลาย ซึ่งกันและกันแตกบ้านแตกเมืองลลกล้านซาวลาวออกแตกออกมาทางภาคอีสานเสียงใต้กลุ่มหนึ่งุมหนึ่งก็ ไปภาคเหนือของภาคอีสานทยอยกันไปแยกกันไปหาต่างลกต่างลาบเป็นเสือเล่าเดออาตมาอ่าเป็นคนล่าแต่เป็นเกิดประเทศไทยสมมติกันเป็นประเทศไทย เลยเป็นภาษาปนเปือ้อเป็นภาษาเปอร์เปอร์ภาษาอัตมา ก, ก็ไม่คล่องภาษาไทยก็ไม่คล่องเท่าที่ควรเพราะอัตมา่ยเป็นคนมักง่ายเป็นคนไม่สอบ นิดไซโง่โ ง, ง, ง่ไม่ชอบอยากจะดัดแป้งไม่ชอบอยากจะแก้ไขเรี่ว่าเป็นคนโ ง, ง่เท่น่เกิดีทจังหวัดศรีสะเกตตำบลตองปีด แต่ตอนเกิดเป็นตำบลจานมาตั้งตำบลใหม่เรียก ว, ว่าตำบล้องปีดอําเภอกันทลลมปัจจุบันนี้เป็นอําเภอน้ำเกลียงไปอยู่ติดกับขเมศไปเป็นคนขเมนเข้าไปอีก ยังน่าก็ยัวยังน่าก็ยัวนโอ้ยเน ะ, ะรู้ไหมล่ะ่าติอนตอนเป็นเด็กเรียนหนังสือปนเปือกันครับกุมหนึ่งออกเดียวนั่นเนี่ยก็แห่ก็น ทีเนี่ยจาจารย์อาจาเดีย่ยนี่กลุ่มหนึ่งเซ ส, สเกตมีคนอยู่สามสี่กลุ่มห้ากลุ่มอยู่ด้วยกัน <c oughs> พอถด้โตศึกษาเล่าเรียนจบเพียงปสี่แบบปูปูป้ปาก็ว่าได้ ก็ออกไปเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจับกบจับเขียดจับปูจับปลาไปตามภาษาอยู่ต่อมาประมาณอายุย่างเข้าจะยี่สิบปีแต่ว่ามารดาหรือแม่เสียชีวิต แต่อายุได้สามขวบสี่ขวบคุณพ่อก็อยู่เรื่อยๆมาประมาณเจ็ดแปดปียังเด็ดแต่งงานใหม่คุณพ่อคุณพีดาหาครอบหาความ่มาเลี้ยงลูกกัม้าแต่แล้วก็มันไม่ได้สิ้นกับ แม่หนุม่มก็เลยไม่ได้อยู่กับแม่หนุม่มอยู่จต่กัแม่ยายแม่ยายของอาตมาอายุหนึ่งร้อยสิบแปดปีลูกของแกมีอยู่เจ็ดแปดคนลูกตายหมดคุณแม่นะคุณยายน่ะจะังไตาย ตามหลังอันนีแม่แต่หลานสาวที่ท่านรักท่านชอบคือคุณแม่ของอัตมะเนี่ยนะตายก็ตายก่อนถึงอโคพอคุณแม่ของอัตมะมาตายคุณพ่อกาไปหาสามีห <c oughs> าลูกคั่คขอบ เอกัากวาวอกไม้อีกก็อยู่ม่ได้กี่ปีห้าหกปีก็มาเสียเอกอคนนี้เดี๋ย ว, วคนข่าผู้หญิงคนกแลวก็นี่เสียไปอีกในปีสองปีกลับเอาอีกไม่เข็ดไม่ลากตาคนนี้ แต่งงานกันมาอีกอ่ามานนี่คิดอยากจะทาบุญไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างอะไรมามีอาทิตย์สองที่ที่สามยังไม่ไม่เสียแต่พันรยาที่หนึ่งที่สองตายอยากจะทาบุญมาเกิดทุกเกิดลําบากคิดอยากจะทาบุญ ก็เลยจัดทำบุญตามประเพณีจัดให้มีการบวชอุทิตให้แกผู้ที่ตายไปในยุคนั้นอัตมะก็ไม่คิดว่าจะบวชอยากจะสร้างฐานะครอบครัวตามภาษาของชาวบ้านนะอายุสิบเก้ายี่สิบเริ่มจะแต่งงานแล้ว แต่คุณพ่อไปวิ่งไปวอนไปขอร้องอยากให้บวชให้คุณแม่บวชแทนคุณแม่เออเจ้าแม่จะตายไปสองไม่มีใครบวชทำบุญข้างไหนก็ไม่ได้บวชไม่รู้ว่าท่านรูปตําราจากไหน ว่าให้ลูกบวชแทนคุณแม่อัตมา ก, ก็ไม่รู้แต่ก่อนท่านวิ่งท่านวอนป่าชนะอยากให้ลูกเองบวชแต่คนอื่นไม่ให้บวชให้ลูกบวชให้แม่เนี่ประเพณีอันนี้พอท่านไปวิ่งไปวอนไปขอร้องอ้อ พูดถึงเรื่องแม่อาตมาสลดใจน้ำตาไหลแต่ก่อนไม่เคยคิดแต่ว่าเรื่องบวชคุณพ่อบอกว่าจะให้บวชให้แม่แทนคุณแม่น้อย่น้นหันหน้าเข้าฝน้ำตาไหลคิดถึงแม่แต่ก่อนก็ไม่คิดอะไรแต่วันนั้นมันต้องเอินอย่างไรพอคุณพ่อพูดอย่างนั้น มันคิดคิดถึงคุณแม่ก็ะไรกั้นใจหน่ทํทำเหมือนก็ไม่สะทกสะเทือนเจ้าจะให้คอยบวชนันพอได้พอเลยวะที่จริงเสียบทัดเส้นใจบวชเพราะก็เคยได้ว่าอยู่เป็นขังเป็นข่าวเมื่อใดนั่นก็พะเป็นยังดอกลูกคุณก็ขอให้ใจบวชให้ พอหน่อยไปหนในสมวันเจ็วันเกวันเพ่นเหก็เอาพ่อให้คิดเอาเดี๋ยวก่อนเด้๋ยพอให้คอยคิดเจ็ดสวันน่าจะใน1วันสองวันท่านเรียกเมื่อถามเอง จะเอาไหมตัเอาเจ้ากเก่าอันนะพอน่ะอหนออะเพรคุณพ่อยกมือไหวเลยโอ้ยสรดอีกแบบตายๆๆยตา ย, ตายว่ะพ่อมาไหวลูกจงได้ที่หนอเนี่ยตมาสลดใจอย่าขอเหล่านิทานย่อๆให้ฟังตัดสินใจบวช แต่ให้บวชเป็นเนนชจ้าก่อนอายุของอัตมา ก, กําลังเข้ายี่สิบเพราะวะ่าภาษาของเราเก่าบวชเป็นเนนแทนคุณนาะบวชเป็นพระแทนคุณโนธรรมบาต้องแทนคุณแม่นะบวชเป็นเนรโอดีใจมันดีจังไดบ้างหลวงพ่อพอมันดีจังไดแน่ ท่านคุณพ่คณพอคุณแม่ท่านมันดีจยงได้แน่ท่านก็เ่าในยายในทานไปตามภาษาของท่านมาสรดใจท่านเรื่องเราเรื่องแม่ตาบอดลูกจงไปหาข้อฐานท่านพูดในในกู้ก็ว่าเราเนี่ยจงคนตาบอดแล้วมั่งอะไรนึกไป ที่เนี่ยตัดสินใจไปบวชที่นี่ถึงเก้าวันล้นอยากอยากจะทึกแต่ว่ามันบ้งเอิญที่ไหนอาจจะเป็นเพราะบุญคุณของแม่อันหันหน้าเข่าฟ้ามันสลดดยังนี้ในเหลืออยู่ถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ที่นี่บวชแล้วว่าจะขอลาบ่อดทึกแต่พ่อขอร้องใหม่ วางแผนใหม่ท่านพูดเรื่องใหญ่โตรูร้ละเรื่องการศึกษาเราเรียนแต่ก่อนการศึกษาเราเรียนไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าที่ควรเป็นเอาจบบางคนก็ไม่จบป .4 ในยุคอัตมาก็พอแต่ คุณพ่อก็งอาตมาเนี่ยไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรจรึงอยากจะให้ลูกได้สูตรเรียนเขียนอ่านให้ทันบ้านทันเมืองทันว่าไปอ้อไรเกิดหลดใจเลยอยากจะเรียนหนังสือว่ามันจะดีถ้าอย่างนั้นจะให้ค่อยไปที่ไหนก็ถามเลยท่านหาสถานที่ ก็เลยเอาเข้าจังหวัดมาจังหวัดอยู่พักหนึ่งมีญาติหมวดเป็นพระออกไปตัง้งสำนักอยู่อุทุพรกำลังกระจายเรื่องการศึกษาเราเรียนและญาติลูกพี่ลูกน้องกันขอเอาไปเรียนหนังสือ ที่สำนักใหม่ต่างสำนักใหม่ก็เลยเด้ออกไปศึกษาเล่าเรียนอยู่สำนักใหม่อำเภออุทุมพรไปเรียนอยู่พักหนึ่งสอบความรู้ความเข้าใจทางศาสนาสมัยนั้นโอ้ย เขา่าลือดงดังได้จบนักธรรมเอกโอ้รวดพี่น้องดีอกดีใจเหลือเกินว่าบานนอกในมีความเข้าใจในความรู้ศึกษาแล้วเนี่ยตัดสินใจเอกยหญ่ทจะมาเรียนมาหาเรียน <c oughs> บาหลี มาเรียนแต่มาเกิดเป็นโลกบัดนี่บุ ญ, ญาบารมีเกิดเป็นโลกป่วยนิดๆหน่อยๆป่ยวยมากกว่านี้จนถึงกับเดินตัวสัน่นไม่รู้บุญบารมีไม่ให้ได้เป็นมหาเป็นแต่เพียงเรียนรู้เรื่องภาษาของมหา ถึงสูงยังสิ้นของเขาจะชอบเอกก็เลยไม่ได้สอบกว่าจะเอาให้มันได้บังเอิญแบเนียเหตุการณ์บ้านเมืองรู้สึกว่ามันมันเดือดร้อนมากพระสงองค์เจ้าก็ดีมันอดอยาก ความทุกข์ของประชาชนทุกภาคในประเทศเราเกิดไม่ปกติในยุคนั้นคนเป็นเสือคนเป็นผีเป็นอะไรไปทั่วทุกภาคใครด้ยินเขาเล่าเรื่องว่าเสือว่าเสือไหมออ พวกมานั่งอยู่นี่ค่อยได้ยินหรือเปล่าล่ะว่าเสือนั่นเสือนี่แถวอัตมากัเสือโดกเสือผมเสือไทยอะไรกรุงเทพนี่ก็มีเสือเสือยังเสือที่เก่งกว่าเพื่อนก็คือเสือใบนี่ตายไม่กี่พี่นี่อายุเยอะนะนี่เกือบถึงร้อยนะนี่เสือตัวนี้เขาเก่ง เสือมันเก่งพอลอยเป็นเหตุหลวงปูรีในยุคนั้นพวกป่าพวกดงก็ว่าได้ไปอาศัยพระป่าอยู่ตามโูตามเขา ไปอะไรก็นคนแตก่อนเขาสอบอยู่ตามป่าตามภูตามเขาหากินแบบง่ายๆมันก็ได้เกิดโยมเยอะเงินบ้างเอินอีกเกิดลัทธิเรียก ว, ว่าลัทธิคอมมินิต์ลัทธิคอมมินิต์นี่มันเข้าประเทศเรานี่สองสามคนข้างทิด สุดท้ายนี่มันหนักมันเกิดก็ถึกข้ากันตีกันแต่ก่อนมันให้เรียนตำลับตำลามันเข้าเรืองเลยมันให้เรียนตำลับตำลาแต่ไทยเราลู้ทันก็เลยโวยวายห้ามไม่ให้ยกจอมพลปอล ห้ามไม่ซื้อของจีนแดงไม่ให้ส่งเสริมจีนแดงจีนแดงจะกรบฏประเทศเจะกรบฏมาเพื่อก็เลยห้ามไม่ซื้อของมันรู้ตัวมันก็เลยงดเปล่าอ ย, ยู่มาไม่กี่เฟรเอาไปเลยเกิดออกตามหาสุขนุมชนคนป่าคนดงอีก มันก็เลยไปเอาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนเพื่อนยุคนี่ตอนนี้มันก็พ่อกินแดงมันแทงด้วยมันเสี่ยมสอนมันนียมันใส่หลายแบบปลุกระดมเอาฆ่ากันตีกันที่ไหนมันหนักมันก็ต่อสู้เพชรบูรณ์มันฆ่ากันหนักพสมควร ทหารตำรวจตายกันพอสมควรนี่ลหละพวกพระได้เป็นทหารในยุคนี้ก็เลยทางพระก็เดือดร้อนกลักวกลัวจะเป็นประเทศลมม่มจมก็เลยทางพระผู้หลักผู้ใหญ่กรุงเทพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ <c oughs> พิมเป็นหัวหน้าในยุคนั้น เลยขอเรียกประสมเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสานว่าเขาจะเอาภาคอีสาน ร, รู้จึกว่าท่านหัวคิดดีหลวงปูส่สมเด็จนี่ท่านอ่านเข้าเรื่องแต่ตำรับตำลาของมันท่านเข้าใจก็สมควรก็เลย ปกระดมพระก็ว่าได้บเอาพระเข้ามาอบรมยุคนั้นจัดมายี่สิบแปดยิบเก้าองค์เอาพระพวกอยู่สายแดนพระถนัดในทางป่าบ้างโดยมากก็เอาพวกป่าพวกพระป่าอาจตจมาซึ่งได้เป็นพระหนุ่มน้อยเข้าร่วมในยุคนั้น มาประสมมุนอยู่กรุงเทพพอประสมเสร็จก็ส่งให้ออกทํางานให้ไปเพชรสูรณ์นี่ก่อนเพชรบูรบนกาลังมันเดือดร้อนมาี่พระหนุ่มน้อยก็มีพระเท่าพระแก่ก็มีพระที่ไปเมืองแหละแต่พระหนุ่มน้อยมันก็ธรรมดาเด็ก มันก็เป็นเรื่องธรรมามันก็ไปขัดจังหวะเขาก็ว่าได้พราอรู้ว่าเขาไม่สอบของเกี่ยวข้องแล้วก็เลยอยากจะ <c oughs> ย่ำเยีกันเนี่ยไปข้านไปไลเขาก็เป็นการได้เลยถือว่ามันขัดใจเขาพราะในวันนั้นกับออกบินกบาด กลับมากำลังจะมาสันนั่งในเ <c oughs> ต็นทูเขานั่งสององเพราะพระสุมนี่ให้ไปแล้วก็แยกกันออกไปสมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่ไปตามเรื่องไปแนะนำพักสอนญาติโยมอย่าให้หลงเสื้อเขาอย่า <c oughs> เป็นคนอ่อนแอ อันั้นก็อาตมา ก, ก็ได้ไปร่วงตั้งแต่เพชรชบวนจนรอบภาคอีสานมาจบผิงโคราชคอมเมดมันทำลายอยู่มันเข้ามายุกยุ่งเหยิงอยู่พวกเราเนี่ยโอ้แต่ยี่สิบกว่าปีก็ได้ตั้งแต่โน่น ปีเก้าเจ็ดเก้าแจนถึงปีถ้าสมมติมจำไม่ผิดก่อนในรัชสามสิบสองมันจะงดงดแต่ว่ามันไม่บุกเท่าที่ควรมันก็เหมือนปากใต้เหมือนแต่ก่อนปากใตก้เป็นเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นแบบคนละแบบปากใต้เนี่ยเป็นอะไรเจ้าพ่อเจ้าอะไรบังคับกันอย่างนั้น กรุงเทพลราเนี่ย็พวกเป็นพวกป่นพวกที่พวกรักผักเหนือผักอีสานก็ป่นที่รักก็มีอดยากฝ่าฝนก็ไม่ตกเดือดร้อนลำบากอาชมากนยุคนั่นเข้ามากรุงเทพในบ่อยบ้านเรือนของกรุงเทพ ถนนหนทางของกรุงเทพนี่คองก็ดีลกรวงลังสกปกยุงก็ อ, อยุงคนขอทานก็ขอทานเตมนอนตามไตทองสะพานตามผุดบาทบันผู้รับกูดีหรืตามวัดตามวัดก็ญาติโยม ต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาก็มาอาศัยมันอดอยากมาหาขอทานกันมันอดอยากลำบากทุกยากเหลือเกินผ้าจะนุงแทจะถือเครื่องใช้อะไรต่างๆไม่มีภาคอีสานความอัตมานี่ยิ่ง้ายทุกยากลำบากยุคนั้น นี่อาตมาเลยมาร่วมแล้วก็จะทำความสะอาดตามถนนนนทางนี่ก็ตัดป๊กตัดถังเตไหมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไหมที่เขาเอา <c oughs> ของเศษของเหลือนะทิ้งเศษตามหน้าบ้านไว้นั่นละเลิกแต่ น, นู้นละโอกระตมาละ จอมพลชลิดพาทหารพาสามล่อทําแล้วก็เอาเข้าก็ตั้งเป็นแถวแถวเทเวศแถว <c oughs> จับโบเบอะไรพุทธถน น, นตามข้างแล้วก็แถวสนามหลวงหลอดสนามหลวงตั้งอาตมาก็มาประชุมที่วัดพระศีมาธา ขึนเศ้าก็ให้ทหารจอมพลชลิจัดให้รถทหารรับพระเนี่ยเข้ามาบินทบาทบอกให้พระบอกเขาให้เอาของลงที่นี่ทิ้งที่นี่ถ้าไม่ทิ้งเดี๋ยวเขาจะจับไมนว่าธรรมากับไอ้มาเจอกานตามวัดก็ขอร้องให้สมภารเจ้าวัดช่วยพยายามอย่าให้ญาติโยม เข้าคุกคีเกินไปให้จัดเป็นสัดเป็นส่วนมาจัดการให้เป็นระเบียบนี่ยกที่พวกอัตมะได้มาจัดได้มาทาไปต่อสู้ความทุกข์ความจนที่นี่ญาติโยมเคยเห็นพระกันงนเขาห่มเขาไหม หลวงปูรี่เป็นเจ้าแดบดบจัดให้หนุ่งขาวห่มเขาวผู้ชายเรียกว่าพรามมโนผู้หญิงเรียกว่าพรามมณีจัดเป็นงานใหญ่สลองสองพันห้าทางฝ่ายบ้านเมืองก็จัดสลองคัดเลือกผู้หญิงผู้ชายคนดีคนมีกระบวน ในกิริยามนย์เรียกว่านางสวยนางงามทุกวันเนี่ยจะทำให้สลองสองพันห้าในอัตบา ม, มาคุ้นมาแกนมาเข้าใจกับหลวงปู่ลีก็ตัวนี้ละอันหนึง่งแล้วก็พอประชุมกันทำทิธี สลองสองพระนาช็ตแล้วหลวงปูรีกดสั่งบ่าเนี้สั่งพวกพระกรรมฐานเดี๋ยวว่างกันถึงฤดูปีจะเอาวันนั่นวันนั่นถ้าก็บอกก็เลยเอาวันเกิดของท่านให้มารวมที่วัดอโศกรามมาอบรมศีลธรรมกันญาติโยมก็ดีโยมชมเสอะแตกกันมา วัดท ร, รมงคลเหมือนกันวัดสังฆทานเนี่ทอันก็จัดมารุ่นรุ่นกันแต่หลวงปู่เลเป็นเจ้าสบับเรื่องหนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยในธรรมทางฝ่ายบ้านเมืองก็จัดระบบใหม่พอะสรีขึ้นมา ห้ามไม่ขอทานจัดเป็นเขตเมืองกรุงเทพเป็นเขตเป็นเขตก็สั่งหัวหน้าเขตเลือกตัวแทนตั้งกรรมการอะไรกันเพื่อนขึ้นมาให้เป็นหัวหน้ามีกลุ่มเขตและมากน้อยเท่าไรให้หัวหน้าเขตกับพรรคพวก สิบกว่าคนเป็นลำดับแล้วแต่มันเขตน้อยก็ใหญ่ให้ดูแลประชาสนห้ามมาให้ไปขอทานให้ช่วยกันบริจาคสิ่งของเพื่อเพื่อกันช่วยกันให้จัดถนนหนทางปัดกวดทำความสะอาดนี่เมืองกรุงเทพยามพ้นฉลิตในยุคนโน้น แล้วก็พวกเี้นักปนนักจีจามพนเชลีก็จัดการสั่งออกทั่วประเทศออกไปทั้ง <c oughs> จังหวัดนอกๆ ก, ก, ก็ไล่ถึงผู้ว่าจนถึงผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ให้ปล่อยให้ลูกน้องออกบินไปหาขอทานถ้าปล่อยไปเห็น กุมหนมาเน่ก็จับเสียงว่าหน้าถึงกับคนขอทานลองเรียก <c oughs> ข้าไม่เอาใจใส่กันถ้าเราไม่เลี่ยงกันใครจะมาเลี่ยงนี่จอมพลสลิดท่านเคยพูดเรามันเป็นประเทศเดียวกันเป็นมานเป็นน้องกันเป็นพี่เป็นอะไรกันท่านาไปชุมกันออกไปต่างจังหวัดกลมนกัน ก็เลยงดคนขอทานไอปน่นไอจี้ไอลักก็หายนักพุทธปฏิบัติสินธรรมก็มากขึ้นนิยมวัดอสโศการามนิมนุนนิยมวัดสังฆทานนิยมวัดทำมงคลขึ้นเพราะท่านทำแปลเพื่อนทำให้ญาติโยม รู้เรื่องเข้าใจกันท่านถึงวันศีลวันพระก็ให้ถือศีลแปดแสดงธรรมให้ฟังก็ทำให้บ้านเมืองค่อยดีขึ้นดีขึ้นอะไรอะไรทุกอย่างก็เรียบร้อยสะดวกสบายขึ้นมาทุกวันรถเรืออะไรก็แต่ก่อนรถก็ไม่มากหรอก จอมพลสิริสั่งรถแท็กซี่เข้าประเทศในยุคนั้นแปดสิบคันท่านสั่งเอามาต้อนรับคนผู้ดับผู้ดีแต่ก่อนรถแท็กซี่ไม่ไมีหรอกในต้นเหตุของบ้านของเมืองของพวกเรามันกันดานจริงๆมันลำบากมันทุกข์ทุกเพราะอะไรก็เพราะคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากคน นี่อันหนึ่งแล้วก็เอกอันหนึ่งเกิดเรื่องธรรมศาตร์นี่สองอย่างความทุกข์ของมันความขาดัดตกบกพร่องของมันฉะนั้นขอเข้าเรื่องของประเทศของพวกเราให้ฟังพอสมควรขอให้คุณญาติคุณโยมลูกหลานทั้งหลายให้เอาใจใส่ โชคพวกเราบุญพวกเราบารมีพวกเราได้มาลูบมาเห็นได้มาร่วมกันเนี่เป็นเพราะบุญเก่าบารมีเก่าของพวกเราเนี่แหละพวกพระปฏิบัติท่านเคยบำเพ็ญท่านเคยฝึกหัดท่านเข้าใจอาตมาจึงว่าบ้านเมืองสงบนี่ก็อาศัยพระป่าเนี่ อันหนึ่งท่านเมนโยบายดีท่านสร้างคนได้ดีพยายามอ <c oughs> อกเอื้ออาลรีนี่ต้นเหตุในยยกที่อัตมาได้รู้เรื่องของประเทศศาสตร์บ้านเมืองแล้วก็ได้มาผลมาหัสเรื่องบำเพ็ญกรรมฐาน มาฝึกมาหัดดัดสันดานของเจวของในมาเข้าใจแต่ก็ไม่เลินเล่อเท่าที่ควรไม่ที่ <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่าดีทั้งประเทศศาสตร์บ้านเมืองดีทั้งพวกที่เคยฝึกเคยหัดกันนี่แหละความดีมันเกิดฉะนั้นถือว่าพวกเรา เป็นคนมีบุญมีวาสนามีวาลมีทุกคนได้กเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอวัยวะธาตุขันธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าตะวันทั้งเก้าอาคารสามสิบกเรียบร้อยสมบูรณ์พูนสุขไม่ขาดตกบกพร่องนี่พระพุทธเจ้า ทันว่าเป็นผู้มีโชคมีลาภฉะนั้นตอนนี้ไปจะขอแสดงธรรมะพูดธรรมะเมื่อกี้นี่พูดเรื่องประวัติศาสตร์เพียงย่อๆให้ฟังพระยุคที่ออกทำงานเบื้องแรกกับอัตมานี่ตายหมดแล้วตายย้อนพิดย้อนภัยด้วยกันฆ่ากันนี่ก็ มีสององอยู่ที่เพชรบูรณ์นี่สององอยู่ที่ <c oughs> สักกนอาเภอนาแกองคหนึ่งถูกลุกลงถูกสกเก็ดมันตายเน่าน่าก็ตายเพราะคนเท่าคนแก่พอตามสังขารมันเปลี่ยนบางองค์ก็เป็นเครื่องประดับโลกได้ดีเช่นสมเด็จ วัดธรรมมงคลสมเด็จปูกวิริยังนระกอบทางานไปในใดสมเด็จองคนี้ละมีองคนี้พวกออกป่าตะลอนตามป่าทับดงท่านเข้ามาอยู่ในเมืองในวงังท่านได้มีบาลมีมีบุญวัสนาได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จ อ่าต่อไปจะขอพูดธรรมะสักหน่อยตามจารีตประเพณีธรรมะไม่เป็นนักพูดนักแสดงธรรมเท่าที่ควรพูดตามภาษาของบ้านนอกนั่นก็เพราะว่าพอสมควรหรอขอให้ตั้งใจนะ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 ตังดันตัา ง, ง, งสุขาวหาหะเตรที น, นั่งฟังจกนิดหน่อยตามความ <c oughs> ปาจถนาที่ว่าจะได้หลวงปู่สุพันณก น, นกโกมาเทศมาแสดงให้ฟังแต่ไม่เป็นดอกนันยองไม่เกงไม่เข้าใจเท่าที่ควร แต่ก็จะขอแนะนำตามที่ได้ฝึกได้หัดการทำสมาธิหรือทำ <c oughs> จิตตภาวนาต้องให้เข้าใจเทียก่อนคืออะไรจรึงจะไปทำการฝึก่านทำ <c oughs> จิตภาวนาให้เรารู้ว่าอะไรมันเป็นตัวสำคัญจึงจะมาฝึกมาหาดมันให้เข้าใจอย่างนี้เที่ยก่อนคือจิตใจเราเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญมันเป็นตัวบ่งบอกมันเป็นผู้มีอำนาจ มันสามารถบอกปากบอกตาบอกหูบอกมือบอกเต้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นนายใสเป็นธาตุของมันมันจะไปเล่ร่อนของมันประโยงเอานั่นไปยกเอานั่นไปยกเอาน น, อานี่มาแล้วก็ สั่งให้ขาพามันเดินพาแปลสั่งให้มือเป็นผู้จับเป็นผู้ยกไม่แต่บกจิตบกใจมันเป็นตัวกี่ตัวการมันเป็นตัวดื้อรั้นอว่าได้มันเป็นพ่อมันเป็นนายภาษาง่ายอันหนึ่งอยู่ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทันไหวนะฉะนั้นนักปราศผู้ทลาดทั้งหลายโดยสะพาะพวกเรานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนามาจากนานาประเทศมาจากสมพูทวิปตั้งแต่นอน ปีพศออ2 2ป8พุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิเราเนี่ยจะทีโน้นเหรอในยุคนั้นศาสนาพุทธเราเนี่กำลังเดือดร้อนกำลังวุ่นวายกำลังจะหมดเหลือนิดๆหน่อยๆ เหลืออยู่ก็แต่ตามคูตามเขาตามปลาินิดเนี่หน่นอยได้จะบาลมีได้มาเกิดขึ้นมาถึงพวกเราแล้วก็ถือว่าพวกเราเป็นผู้มีโชคมีใ่มีบุญญาบาลมีอันสูงส่งได้รับพุทธศาสนาะด้วยสมัมเนนตัวเล็กๆ สามเนนตัวเล็กเป็นตัวกี้ตัวการเอาพุทธศาสนากระจายออก4 5 6 7 8 9ประเทศกว่าใดในยุคนั้นพวกเราเนี่ยเข้ามาสู่สุวรรณภูมิมาวางรากเบื้องแรกก่ที่ นคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมทุกวันนั่นที่เกิดของพุทธศาสนาของพวกเราก็ถือการประพฤติปฏิบัติกันมาตามความนิยมตามความรู้ความเข้าใจแต่ละยุคแต่ละสมัยในยุคเราเนี่ยก็ถือว่ามาแตกตื่นขึ้นก่น สองพันห้าพุทธศาสชนามันจะเสื่อมมันจะจบหลายข้างอยู่ในยุครัชกาลที่สี่ก็เกือบจะไปอังกฤษมันจะเอาในยุครัชกาลที่เก้าก็คือยุคควมิมิเนตมันจะเอามันจะทำลายแต่พวกเรามันมั่นคงได้ ก็เรื่องจิตเรื่องใจนี่ลหละพากันฝึกหัดฝึกใจกันพอสมควรโดยเฉพาะยุคราชการที่เก้าของพวกเราเถึงกับลงมือลงตีนกันอยู่แต่ก็เอาไม่ได้ทาไม่ตลอดก็หลักใจของพวกเรามันวางพอสมควร มันวางมันหนักแน่นพอสมควรแต่ก็เลยมันเอาไม่ได้นี่ต้นเหตุการฝึกหัดใจนี่เราจะรู้เราจะเข้าใจมันเองอย่าไปปล่อยให้ใจมันเพลินเกินไปให้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าคือให้มีสติสัมปชัญญะ วรียขันติให้เข้าใจเดือนให้มันเข้าใจแล้วก็มันฝึกเจ็ดไม่ได้วันละมากกว่าวันละยี่สิบสามสิบนาทีให้มันติดต่อทุกวันทุกวันไม่ว่าผู้หญิงไว้ไม่ว่าผู้ชายแต่นเนตรชาบาลมีนักปกเรอพอเขากันมาฝึกหัดเรื่อง เิเรื่องใจเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นมากทุกวันนี่พวกเรามีเกียรติเผยแพร่พุทธศาสนาให้นานาประเทศเขารู้เรื่องโจ้พวกเราพวกเราเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะต่างคนก็ต่างช่วยเหลือเกื้อหนุนกันพวกเรา ไม่ว่าทางพระไม่ว่าทางญาติทางโยมหักใจใส่กันถึงแม้มันจะด่ากันตีกันหยอกกันอะไรต่างๆนานามันก็หันกลับได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมศาตธรรมะฉะนั้นวิธีนั่งสมาธิแล้วแต่เราจะสะดวกอักคูของอาตามะนะให้มันถูกจริตจะนั่งแบบ ผู้ชายจะนั่งแบบนี้ก็ได้ผู้หญิงจะนั่งแบบอัตมาเนี้ยก็ได้หรือนั่งแบบถนัดก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับพระพุทธเจ้าก็ดียืนเดินนั่งนอนให้ทำสมาธิได้ทั้งนั้นนี่หลักของพระพุทธเจ้าให้ทำสมาธิได้ให้ดูใจเจ้าของมันจะคิดไปอย่างไร มันจะคิดไปอย่างไรให้สตินํามันเรื่อยๆให้มีการคิดเรื่อยๆให้มันรู้อยู่เรื่อยๆมันไปอย่างไรก่อนมันไปเช่นก่อนให้มันไปถ้ามันไปเนี่ยทางหล่อแหลมก็รีบรีบเคยฝึกขัดลูกไหมลูกมันจะไปตกบ้านตกเรื่องก่อนรีบแลนดควัวมันไว้ตะล่อมมันไว้ อย่าให้มันไปมันจะตกมันจะเจ็บมันจะึกเหดือดร้อนประฏิทัยของเราเนี่ยก็เหมือนกันกับเด็กอะฉะนั้นท่านจึงให้ไศึกษาธรรมะือว่าให้เมตต์เมตสัมปชัญญะนี่ตัวสําคัญสมตตคือระลึกคิดอยู่เสมอสัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้รู้ว่าเรานั่งอย่าไป ตั้งใจนั่งแบบนอนหลับไม่ให้นอนหลับนะตัวนี้ให้นั่งอยู่แบบสู่ทำไมจึงให้ปิดหูปิดปาก <c oughs> ปากมันก็ปากไม่เป็นหูมันก็ฟังไม่เป็นหน้าโยบายของนักปาาท่านจึงมาวางแล้วแต่ท่านจะคิดแล้วแต่ท่านจะอ่านหนาน้โยบาย มากดใจนี่อยากให้มันไปเอานั่นเอานี่มาให้มันอยู่เป็นปกติแต่มันก็ไม่อยู่หรอกก็มันก็ดีมันไม่อยู่มันไปเรื่อยเรื่อยมันก็รู้เรื่อยเรื่อยเมื่อเกิดรู้ขึ้นมันรู้รู้ถึงรู้แล้วมันก็จะอยู่เหมือนกับเด็กทำนองเด็กนั่นนั่น ให้ฝึกเกี่ยวของมันฝึกเกี่ยวของมันเป็นของง่ายๆเป็นของไม่เดือดร้อนเท่าที่ควรเพื่อไม่ให้เรานี่ทําสิ่งต่างๆนาน า, นาให้ผิดทางเพราะพุทธเจ้านั่นท่านไม่ได้เอาอะไรมาสอนหรอกแล้วท่านก็เอาเจ้ของที่มันมีของที่มันเกิดอยู่กับเราเนี่ยปากก็ให้พูด ให้มันถูกให้มันเพราะให้มันอะไรใจก็ให้มันคิดให้มันไปคิดไปอ่านท้างที่ถูกที่สอบให้มันมีสติควบคุมตาก็ให้มองให้ถูกมองให้เป็นมือจะทําอะไรก็ทําให้มันถูกให้มันเป็นเท้าเหมือนการขาน ถ้าเราอบรมบ่มนิสัยได้ของเรานี่ให้มันละเอียดเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะลู้สวรรค์ลู้นิพพานมันจะลู้ต้องเอาจิตเราเนี่ยให้มันมีปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาบักปัญญานี่ยแะมันจะบอกนี่เดินนิพพานนี่เดินสวรรค์นี่เดินนรกมันจะาไปเรา ต่ขอให้ตัวเราเอง <c oughs> <c oughs> รู้สึกตัวรู้สึกเจ้าของอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอพุโทโธแปลว่าพุทนให้ตื่นให้เข้าใจให้มันอย่าไปเป็นภาษาลาวแล้วมันดอข้อฮักเด้อ ลโลกให้หลานด้วยนี่อารมณ์เราวงสะพานร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆมันก็เพราะใจเรามันเป็นบ้าใจเรามันไม่ฉลาดมันก็เลยเป็นบ้าไปทตามเรื่องของมัน ก็เลยเอาของไม่ดีมาใส่เส้ของสัมปปิแต่มันเอามาก็เข้าใจยิ่งทุกวันเนี่ยจะมาเป็นห่วงเป็นลูปเทวดาไหมไม่ต้เทวดาแต่ว่าเทวดาพิการเกินไปเป็นเทวดาพิการดูหนะ้าดูตาดูสภางร่างกายรู้ เป็งปังแต่จะไปมามาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บเอวตั้งเตียน่ล่ละเราตามใจเราเกินไปขอให้ฝึกขอให้หัดขอให้พิจารณายิ่งทุกวันนี่เป็นโลกยอโรงพยาบาลก็เยอะไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าบ้านเรา ยกอัตมานี่ไม่มีโรงพยาบาลมีก็มีจตะกรุงเทพที่สิเกตของอัตมาก็มีแบบ <c oughs> พอจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลกัะแต่ก่อนแต่ยันนี้โอ้ยสิบสั้นเจ้สาสั้นแล้วก็ไม่พอไม่พอใช่ก็เพราะเราเองสร้างแต่เราไม่คิดไม่อ่านไม่คํำนึ่ม เนพระกรรมฐานท่านอีกสอนอย่างให้ภาวนาอย่างให้นั่งสมาธิยิ่งปัจจุบันนี่ยพวกเราเป็นโลกกันเยอะแยะเนีเพราะเราโง่เกินไปเราเชื่อแต่คนอื่นโดยเฉพาะสาวสวนสาวนาสาวไร่เยอะเต็มที่เป็นพ่อเป็นแม่ของ คนหลายๆสาวหล่สาวน า, า, ล, าลูกสาวไร่สาวน า, า, า, าสาวชวนส่งให้ลูกพ่อแม่ส่งให้ลูกให้เตาเรียนเรียนกันได้ความรู้ความสลาดกันเยอะแต่ไม่คิดถึงพ่อถึงแม่แต่ว่ามาชมเชยมายก ย, กยอ่องทนอหรอ เสาไล่เนาเาวสวนเป็นกระดูกของสันหลังของศาสร์นี่ไอ้เจ้าเนี่ยกระไรเฮิมเหอ้อคือกันเต่นกระยอกกระแย่กระชุมควดว่าเป็นอะไเป็นกระดูกของเขากระดูกโผล่เมื่อละพอพักกันคิดกันอ่านไม่ติดเชื อ, ขอเขาเอายาพิดยาพายมาใช้ ดิ้นสักของใส่พักใส่ยหย่าใส่ของอยู่ของกินเป็นโลกกันเต็มเจ้าขาราชการกับพ่อเจ้าขาราชการเจ้าพ่อข่าพ่อขายกับพ่อพ่อข่าพ่อขายเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้ากับพ่อพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นโลกกันงอมแง่งเงนี่ละ่ะพระโพธิเจ้าเสพนุน่งหด้วยเสพปัญูปัญชื่เสี่ยวว้อย มุ่เจาเป็นว่าพันอุวัติพันสอนอย่างให้พักการหูกันเข้าใจในชีวิตในสภาพร่างกายเจ้าของการอยู่การกินการนั่งการนอนการทําไรใช้นาทําขาทําค้ายยังให้เข่าใจให้หูให้เหตุให้มันถูกทํามันถูกแต่นี่ยหาบวอดีล่ะไม่ได้อยากอิจฉาบังเบียดกันก็ว่าได้ หาเจ้าของโดยทางอ่อนเยอะเนี่ยมัน10กว่าปีมากเนี่ยเนี่ยมันย่อนใส่พวกมนุษย์ทั้งหลายความเจ็บววความปวดความป่วยความโศกก่เพาะเฮ้าอยู่น้ำคนตาบอดคนตาบอดเลี่ยงกินเขากินน้ามกิน <c oughs> พักกินหยายน้ำพวกตาบอดือเศ้าหายเศ้าหน้าขอขคณหนาเด็ก ศึกษเาเราเลี้ยงยังเท่าที่นกวนว่ามีโรงเลี้ยนคือเขาใหตามภาษาพระสอนเขาก็บกุกอยเชือ้อศัตรูหาเชื้อหน้าก็ดีโอ้ยกินย่อนเขาก็เช้อสอนร้ายถวถาไปเหตุเกิดเห็ดมักงายย่ายยันเห็ดในเห็ดหน้าเห็หดหัวเห็ดชวนเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองแต่ผู้ หูแจงตาใสู้เขียนู้อ่านกับพวกพักันมาต่างเขาต่างเล่ากันสวยเหลือเกือหนูกันมีกฎมีเกณฑ์มีวิจัยดูพืชอันนั่นอันนั่นวิจัยพื้นแผ่นดินวิจัยนา้าวิจัยหญ้าชิยูชิกินบอไม่ต้อเอาตามภาษานี่ลละ มั ก, ง, อกอง่ายบอพอกง่ายเดินลูกก่อยล้านก่อยนี่ภาคอีสานธรรมดาท่านอนุ ญ, ญาตประกันมักง่ายพวกเล่าถืมีความหูวความสอดสลาดความเข้าใจแก้ไขกันใหม่เอาให ม, ม, นหนะมะ่มันนั่งสมาธิมมันอ่านจะของมันูมันเสียงโลกมันอยู่ในตัวห้อเนี่ยมันก็จะค่อยหูวค่อยเห็นเอาอย่าเหยื่มากินมันก็สิค่อยได้ มันชีวูองตัเองมันมันอยู่อยู่น้ํามันอยู่น้ำเทาทุกคนแต่เท้าสีเอาหรือบอเอาเถอฉะนั้นขอฝากเด้อดให้มันอ่านเจ้าของฉันนัง่งมันนั่งอิสิบุได้ก็นัน่งโตเขีนนัน่งซื้อก็ได้นั่งสมาธินัง่งเบิ่งเจ้าของเบิ่งใจเจ้าของมันสีไปอ่านเอาอย่างบอกใจนั่นแหละ อัดสลับมันมาเรื่อยให้มึงมาอยู่นี้อยู่น้ากู้เขียนหนังสือนี่อยู่นําโต๊ะกูนี่นี่พวกเป็นข้าราชการพอดีมึงอย่าไปทั้งคืนมาอยู่นี้ติดมันบอกมันสอนมันอยาวเสือมันมักใหญ่ไปสูงหลายเยาวนี่พวกข้าราชการนุมหน่อยก่อนโอยเป็นนี่เป็นศิลป์กันเยอะยาวนี่ ถ้าผลแรงจักเก่าปีซีป่ปีคือคอยพานมากถ่อคนเล่ามากพวกมูอเจ้าอย่างนี้สิจะเอากันอยู่หรือป่วยอยู่พ่นแต่จอมพ่นสลิแล้วเอาอยู่เด้นี่คอยสันละเชิญจอมพ่นสลิดเรามีนาา่าจะไหวแค่ไอ้คนหูเักาเหลืองจักเล่ากันย่อเนี่เพราะว่าอีสารเพว่าปากกลางกลางนหูกันมัดดีก็ยังตั้มสมบุกหงกิ น, นํำกันเศร้าซ กินปนน้ากันเส้ซวซาเยอะเนี่ยพวกเฮานี่ยกย่องพันชลิศท่านเกิดมาเกินมาเป็นผู้ใหญ่ท่านมาอ่านท่านมาอ่านเข้าใจแผนที่เมืองถอกเมืองไท้มาจัดการไม่เฮ็ดไม่เพราก็แตงเราเกของเรากว่าท่าไม่พวกเฮาคืบขานมาแต่เล่าอยู่บนหน้านสามปีกูกลัวท่าีก้าเป็นหมุทุกกันก็อยู่บนหน้า ตังพายสองกุลีถ้าพวกสองตนอยู่นั่นนั่นอัตมาวาบ้านเมืองที่นี่กุีบ้านเมืองสีดีกุรีแล้วมาว่างแผนต้นกับพวกป่นกันรักกับพรักกันอย่งกับขึ้งเฮ็ดหยาดย้อมพ้าเห็ดตนนทางกขาว่าจะเปนเหดดีอัตมาเอาไปอย่างจังหวัดที่เกิของอัตมา แต่กอนเขาเอ่ยมาจังหวัดขีดถูกจังหวัดกินดิีอัตมากับพิจาการได้เป็นจังหวัดที่หนึ่งกอนหมู่ของจังหวัดขีดถูกภาคอีสานพอดีแต่เกศตะกอนกับพ่อไม่พยายามไปหรอกภาคอีสานมันภาคถูกภาคที่หนักโดยเฉพาะจังหวัดศรีสเกตมันถูกมันยากมัน โดยเฉพาะอำเภอธอรรมยู่นี่ฉันไปงนี่ยเราดูฝ่าเราบ้วนเหล่าไปนอนวันสั้นขาบอได้ก็สามมือสามขึ้นออกมากเป็นโรคไข้โรคไว้หม้อลกหม้ร้อนฉะนั้นเขาขับผยอกไปเขาจงว่าเป็นถากกั้นดานเป็นอำเภอขี้เจนเนียเจนไร่เขา้า่าฉะนั้นขอฝากคุณยอดคุณโยมให้ประกันมัน ทำสมาธิแล้วแต่เอาสิสนัดเพรได้นัน่นกระชังได้จักเซฟนาทียี่สิบนาทีาทแต่อยาสเส้าได้เฮ็ดไปเรื่อยๆในมันติดแต่มันสิเฮ็ดเองดอกมันสีิเขาดันเองดอกแลก้วเอาไปสิหูเอาเองแบบมต้องว่าผู้นั่นเก่งผู้นี้าดอกมันสิหูเสมอกันมันก็สิบิตรังเกียดกันมันก็สีวิตด่ากันตีกัน ใจบกงดลายมันค่อยโลบค่อยมักยัยภัยสูงมันจะลดอัตมามันลดมาแล้วอัตมาก็กลาว่ามันกลับตัวมาได้กับเพาะมหาหัดมาผลบะเมาเสียนรูยิ่งเห็นเจียงไปอีริยฉันอยากทำให้เห็นอิริยกระเฮ็ดไปพระพุทธเจ้าพ่อเลขาถ้ามันหูจับนันสวรรค์นเนี่ยไม่ผลานนันนันรกไปผนเฮาเฮ็ดซับเนี่เฮาก็ดีใจแล้ว คือว่าห้ปาป่าจะจากผิดไพ่ในอันหนึง่งเ้าบทุกนําสังขารหลังกายในีัยหนึง่งแล้วก็ห้าโบอืดหมูอุดพวกเขาวายว่ากันมวนอยู่น้ำกันมวนนี่มันก็ดีไปและ่ะบ่ต้องถึงไปว่าถึงวันในพานดอกมันสืหู้มันเองดอกในพานต์ชูมันเองดอกไพ่เสือโบเด็ก ส, สนุกไ พ, สพ่สือยกมวนผู้ด้สือโบใหญ่เงินล้านเงินแสนมันก็ใหญ่ ก็กรดินร่นแต่ก่อนไม่เงินพศิบาทบ่อยตั้งแต่อายุที่หาพี่ตั้งแต่อายุนุ่มนุมหน่อยมมีไต่กัจจมาลบัดน้องใหญ่เกิมาห้าง้อเหตุเอาห้า่นนี่ห้าอย่างไดเสวันใดนี่พ่นใดของบดีชุดใส่ห้าข้อเหตุเอาแต่มันดีแหละเ้ามีครูบาอาจารย์เมืองไทยคนสอนพุดโทษน้องก็มีพูดโทษพ่องน้อยยกน้อยใหญ่น้อยยังนอเดินน้อยหมด ไี่ม <c> ด <oughs> จะว่าโศกเข้าบุญเข้ามาเกิดเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยผูดได้มาอยู่ในบ้านนี้ถือว่าเป็นคนมีโชคมีใจพูดถึงประเทศเพื่อนเดริประเท ศ, เทศ ข, ข้างขางเข้าเนี่ยทุกมุมตุ่งหลงเป้นไปนเมืองขืนเมืองล่องเขาเป็นท่าจัดทาสีเขาแต่เข้าบอเป็นก็นี่แหละอานิสงส์ถิ่นบอกเป็น คือเฮาหูจำเรื่องกันมอทะเละมออันนี้กันมอลั่งเกียดลังแก่กันโอมสู้กันไม่อนไดเกิดบันไดเกิดไปซอยไปเกือบไปนู้นกันนี่แหละเมืองแม่นแดนสวรรค์อยุย่เที่ยงหยาบหยาบมต่องว่ายพูดดอกอยู่นี้มันดีแหละท่า น, นครับคอยเอาใจใส่เจา้าของให้มากเด้อมันเหตมันทำมันได้เห็นโอม <c oughs> สั่นของเกี่ยวของมัดเฉลี่ยนขึ้นเรื่องของมันมาเทียบของมันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ใดอยากขึ้นยิ่งก็เป็นได้เมื่ออยากเป็นโลกเป็นท้ายกระเทยใจแก้ไขเจ้าของอยากเป็นคนมูอแจงตาใสเห็นของผิดของละเอียดได้ต้องได้ขออยาสุา่มไฟเบอร์นายอย่าไปเบอร์นายชีวิตเจออ้าของอย่าเอาไปตัดสินใจ